เราเข้ามาสู่ช่วงเคสทั่ดีวันนี้เป็นเคสที่8ปลูกเขาวัดเมื่อประมาณปี 25-21 กี่ปีแล้วนี่ยีปีค่ะ28ปี แต่เป็นสมาชิชมรมพุทธรามคำแหงและก็ได้ชักชวนคนในครอบครัวทั้งคนพ่อคณแม่น้องน้องทุกคนมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยโดรวมบนนำนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัดและก็ได้ติดตามสร้างประมีกลุลงพ่อและหมุคขนามาตลอดไม่ว่าจะซื้อที่สองพไร่ราคาตารางวาระห .2 บาทหาิสตาสร้างโบส ปลูกจนไม้คัดหินเกรดแก้ ver, สร้างเสาหน้าโบสถ์ปลูกเหล็กเทปูนจนถึงบุญสภาธรรมกายหลังคาจาาสภาธรรมกายสากรธรรมกายเจดีบุญลานธรรมเสาคำฟ้าวิหารหลวงปู่วิหารผู้ใาญอาคารหกสิบปีจนถึงบ <hum> <ickets> ุญปัจจุบันนี้ อสามีของลูกอ้าวเนื้อเป็นโสนทำบุญขนาด น, นี้อ๋อเลยอ๋อเจอคู่บุญเงินเคยบวชพระธรรมทายาท ร, รุ่นที่ห้าปีพศสองหสองหนึ่งเป็นช่วงที่ชีวิตที่เขาประทับใจมากอ่าแล้วก็ ประทับใจยังไงอ๋อซึ่งสมัยนั้นหลวงพ่อทัตตาชิโวกก็ประทับใจเรื่องหลวงพ่อทัตตาโยเป็นพระอาจารย์นำตัง <over> ้งแต่น <over> ั <screen> ้นมาเขาก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อย่างต่อเนื่องค่ะอธมรม่ายาในปี2528อีก7ปีต่อมาลูและสามีก็ได้แต่งงานกันมีลูกเดียวกันสองคนเวลาที่ตั้งท้องลูทั้งสองคน ลูกทั้งวงก็จะใส่ชื่อลูกลูกกับลูกแก้วกรแต่พอคลอดมีชื่อแล้วก็จะใส่ชื่อจริงลูกสาวในทุกปุ่นที่ลูกทําลูกสาวคนแรกของลูกเกิดมาในช่วงที่ฐานะเราปานกลางว่แรกเกิดจะเป็นโรคภูมิแพ้แพ้ไข่และอาหารทะเลมาตั้งแต่อายุได้สองเดือนจะมีอาการเป็นผื่นคันต้องพาไปรักษาหลายหมอมากบัดนี้อายุเธอได้สิบเกปีแล้ว ก็ยังเป็นอยู่แต่อาการน้อยลงบ้างสลูกคนที่สอ น, นั้นเกิดมาพร้อมกับความพร้อมในด้านต่างๆมากกว่าลูกคนแรกมีพี่เลี้ยงที่ดีคอยดูแลและลูกกับประคองให้อยู่ในวงบุญตลอดมาตั้งแต่อยู่ในท้องขณะนี้อยุสิบปีแล้วยังไม่มีปัญหา ใ, ใดๆสามีของลูกทางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ที่แห่งหนึ่งทำานอยู่ได้ประมาณ10ปี ในช่วงน้ำวีซ่าเขาก็ได้สัญชาติอเมริกาแล้วก็เลยทำเรื่องของวีซ่ามาประเทศอเมริกาให้กับครอบครัวครอบครของเราด้วยแต่ก็ขอว่าอย่างนั้นเองเนี่จนกระทั่งต่ อ, ตอมาสามีลูกกระย่ายไปทำงานอีกที่หนึ่งได้ประมาณ10ปีก็เกิดปัญหาจึงออกจากงานนั้นกบพอดีในช่วงหลังออกจากงานนั้นทางสถานทูตอเมริกาก็ได้แจ้งมาว่า ครอบครัวลูกได้สิทธทิมาอยู่อเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายทั้งๆที่เราทำเรื่องไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนจะลืมไปแล้ว oh. และลูกสาวสองคนของลูกก็อยากมาศึกษาที่อเมริกาสุดท้ายลูกและครอบครัวก็ตัดสินใจเดินทางมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่อเมริกาแต่ในสถานการณ์ที่พวกเราต้องมาตั้งต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกา สิ่งที่ครอบครองลูกโชคดีที่สุดคือได้อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อตลอดเวลาแปลกดีโดยผ่านจานดาวทำแล้วก็ยังมีสาขางวัดให้ได้ไปทําบุญอีกด้วยลูกและสามียังได้ติดตามรายการธรรมะดีๆจากจานดาวทำแล้วก็ได้ขยายจานดาวทำธรรมที่พุ่นําบุญให้เพื่อนที่เมืองไทยและญาติพี่น้องที่อเมริกามากมายนี่เธอยังมีวิญ ญ, ญาณพุ่นําบุ ญ, ญยอดกะดัะยาญานามิ คุณพ่อสามีมีม อ, ามอาชีพค้าขายหมูหมท่านไปเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นบนบาปและชีวิตหลังความตายเลยในบางคืนการย่ำเร่งคุณพ่อจะฆ่าหมูที่หลังบ้านจะจับหมูขังอยู่ในกรงหวายท่านจะใช้มีดแหลมแทงที่คอหอยหมูจะร้องกรี๊ดกรี <c> ๊ด <oughs> สุดเสียงจะนั่นท่าน และคนงานจะรีบจับหมูกดหัวหมูลงในองค์น้ําขนาดใหญ่เพื<ะ>่อ ป, ป้องกันเสียงหมูร้องรบกวนเพื่อนบ้านที่หลับนอนสงสารไหมจ๊ะในวันพระเป็นวันหยุดฆ่าหมูคุณพ่อสามีจะใช้เวลาไปยิงปืนล่าสัตสว์เสมอต่อม า, อามื่มมออ 4, 3, คุณพ่อสามียุ่งมากจนได้เลิกอาชีพนี้ปี254หสามคุณพ่อสามีเลิมป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกมากแพทย์จะแจ้งให้ทราบว่าจะอยู่ได้ไม่นาน แต่ปี2543สามีก็ได้ตัดสินใจบวชให้คุณพ่อของเขาแล้วก็ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมท่านที่เมืองไทยได้นํารูปการบวชและแนะนําการนั่งสมาธิไปให้ท่านแต่วันกรุ่งขึ้นคุณพ่อสามีฝากน้องสาวให้มาบอกสามีลูกว่าท่านน่าไปชอบที่สามีมาให้ธรรมะกับท่ า, ากกนและเล่าเรื่องบุญงานบวชสามีเข้าใจคุณพ่อดีว่าท่านน่าไปเชื่อ สามีก็หาเวลาคุยกับท่านตามลำพังว่าคุณพ่อหากวันหนึ่งวันใดที่พ่อตึงมาแล้วคุยกับใครเขาไม่ได้ยินหรือเขาไม่เห็นพ่อพ่อทราบนะว่าคืออะไรคนตอพ่อรู้นั่นคือพ่อตายแล้วสามีก็บอกว่าถ้าถึงเวลานั้นพ่อก็ต้องยอมรับนะว่าชีวิตหลังความตายมีจริงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกมาถึงวันนั้นให้นึกถึงภาพที่ลูกชายสามคนได้เคยบวช ให้รลึกนึกถึงองค์พระยาบจำตัวที่สร้างและสลักชื่อให้พ่อและวิธีทำสมาธิที่ลูกพยายามบอกพ่อเสมอคุณพ่อก็บอกโอเคเอือ่าร <c oughs> ับปากกันเองแล้วจะเยี่ยมท่านเสร็จสามีก็เดินทางกลับมาอเมริกาห <c oughs> ลังจากไปทำหน้าที่ลูกแก้เสร็จแล้วจากนั้นไม่นานท่านก็เสียชีวิตตันที่เขากลับไปงานศพคุณพ่อเด็กราบพิธีลองศพส่งเสียชีวิตไปถึง7วันเขาหวังว่าพ่อยังอยู่บริเวณนั้น เขาก็าไปเคาะที่โลงศพท่านแล้วก็พูดว่าพอ่อจำคำที่ผมบอกได้ไหมล่ะตอนนี้คงเชื่อแล้วนะะชีวิตหลังความตายมีจริงดังนั้นตอนนี้เนี่ยใ้นึกถึงบุญและทำสมาธิอย่างเดียวผมบอกพ่อแล้วว่าน่าจะเชื่อตอนเป็นจะดีกว่ า, วาเราจะเห็นตอน สามีได้บวชนมโมทนากถินที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอัสสุซา ท, ทุกปีแล้วก็ได้กลับมาบวชพระนานาชาติรื่น60ปีพระราะที่เมืองไทยเพื่อที่ส่งสริให้คุณพ่อแล้วก็ตั้งใจจะบวชทุกปีเพราะเชื่อว่าคุณพ่อตั้งการและรอรับบุญอยู่แล้วตอมาพิสานเขาก็ได้ทําบุญเสาวแก้สลักชื่อคุณพ่อโดยส่วนแม่สามีนะั้นตอนช่ยอยุ่ได้ประมาณ4 5่สถึงห้ปี ท่านเป็นโรควิตกกังวรแลิจมากจะต้องไปพบจิตแพทย์ต่อมาเมื่ อ, อยุประมาณ60สิปีขาข้างหนึ่งท่านเป็นอมัมบลึกเดินไม่ถนัดมาจนถึงปัจจุบันนี้คำถามทำไมตลอดชีวิตของคุณพ่อสามีจึงมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคเจ็บป่วยเหมือนคนทั่วไปเลยไม่เคยไปหาหมอทั้งทั้งที่ท่านประกอบอาชีพค้าหมูและล่าสัตว์ <S S S อเออขนาดศึกษานะจ๊ะ แต่บรรพยาชวิตคุณพ่อสามีป่วยเป็นมะเร็งที่ตําลุกมาเพราะกรรมใดคะพอราสวดทายคุณพ่อสามีมีบกกุบกพกรรมบุพกรรมนิมิตอย่างไรคะเมื่อเสียชีวิตแล้วท่านาระลึกถึงบุญและทำสมาธิตามที่เคยรับปากกับสามีไหมคะเมื่อสามีไปบอกท่านในงานศพท่านรับทราบใหม่คะพอรโลกของคุณพ่อสามีเป็นอย่างไรเดี๋ฝากบอกสิงอะไรมาหรือไม่ท่านได้รับบุญบวชที่สามีบวชให้ทุกปีไหม่คะ แล้วลูกๆต่างทำบุญอย่างไรให้กับท่านคะคุณแม่สามีทำำํากรรมใดจะมีอาการทางจิตจนต้องพบจิตแพทย์และกรรมใดที่ต้องเป็นออมมาเพลิกไปจนถึงทุกวันนี้การอะไรทําให่รู้แล้วครับคุณเราต้องอประสบเหตุย้ายถิ่นฐานมาเริ่มตอนชีวิตใหม่ที่อเมริกาและเหตุใดในจังหวะที่สามีต้องออกจากงานกับในยังหวะที่ทางอเมริกานุมาที่มาอยู่พอดีเป็นพระบุญใดส่งผลคะ วิบากกรรมใดที่ทําให้บางครั้งสามีเป็นคนเตือนตะหนอกไปตกกังวลตกใจหรือกลัวโดยไม่มีสาเหตุทาให้บางครั้งขาดสติขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคะ<อ>ทําไมชีวิตการงานสามีไม่ว่าทํางานที่ใดก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะก้าวหน้าแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรคะเป็นพระวิบากกรรมใดและควรจะสร้างบุญอะไรแก้ไขคะ่ะฐ<อ>านะในครอบครัวจะประสบความสําเร็จตั้งตัวได้และร่ำรวยไหมคะ ลูกเคยทำบุญสูงสุดครั้งละหนึ่ง0สนแต่ก็หลายครั้งแล้วเราจะมีโอกาสได้ทําบุญใหญ่กองเอ็มและหลายๆครั้งบ้างไหมคะเคามีบางครั้งที่ลูกตั้งใจจะรวบลงมบัจจายทำบุญใหญ่กองเอ็มกับหลวงพ่อแต่ก็ต้องงดไปเพราะมีค่าราชการของบุปการีก่อนอย่างนี้ลูกจะเสียสัจจะหรือไม่คะวิบากกรรมอะไรทําให้ลูกสาวคนโตต้องเป็นภูมิแพ้แพ้ไข่และอาหารทะเลตั้งแต่อายุสองขวบ อ, อย่ายอมแพ้ลุยมันก็ไปเลยอีกทั้งจะมีวจีกรรมมักจะมีวจีกรรมกับคนอรอบข้างจะแก้ไขอย่างไรคะรบุญที่ทําลูกสาวโดยใส่ชื่อแทนว่าลูกแก่แต่งแต่อยู่ในท้องแล้วใส่ชื่อจริงหลังจากที่เกิดแล้วจะส่งผลต่างกันไหมคะลูกสาวขสองคนของลูกก่อนมาเกิดมาจากไหนเคยมีสายบุญกับหมกขะมาอย่างไรคะ ต่อไปครับทั้งสองยงมีโอกาสได้มาร่วมงานเผยแพร่ของอภัยแผ่ของหมู่คณะมากน้อยเพียงไ ร, ค, รคุณแม่ของลูกเคยดูแลผู้ป่วยชาวจราบันตะแขงขาลีบลูกและสามีก็ต้องดูแลเขาในช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำให้ทุกอย่างแต่ช่วยหาคนดูแลเขาไม่ได้ลูกและสามีมีวิบากกรรมร่วมกับผู้ป่วยมาย่างไรคะถึงต้องมามีส่วนในการดูแลเขาด้วยคะ่ะลูกและสามีเคยเป็นอะไรกันมาในชาติก่อนคะ ทำไมเราถึงได้อยู่กันแบบไม่ค่อยจะปรองดองกันท่ที่ควรก็ยอมกันบ้างสิจ๊ะยอมอีกข้างหนึ่งพูดกันหนึ่งก็นั่งเย้ยๆสมาเราหังไม่เลือดด้วยมก็อมอมน้ำมาอมๆอย่าเพิ่งบ้วนออกให้อมห้ามกลืนครับห้ามบ้วนแล้วก็พูดมาก็อมๆอมน้ำ เขาก็จะเรีก็อมยิ้มจริงๆเราอมน้ำสามมีก็มีความคิดว่าในวะตถุสงสารนี้ไม่มีชีวิตอะไรเลยที่จะดีปลอดภัยจากวิบากกรรมแตสามารถสังสมบญบารมีได้อย่างสูงสุดตระกเัทรสมณะอมิตรพระอนิจจาอานิจังเอ้ยเพื่มาคิดออก แต่ก็ยังดีจ้ะหลังหากหลังจากทุกอย่างลงตัวแล้วคือลูกหงส่งอนสำเร็จการศึกษาแล้ว mm hmm. เขาตั้งใจจะใช้ชีวิตแลสร้างบรมีในเพศสำมานาเพื่เผยแพร่ศาสนาในอเมริกา mm hmm. เขาจะสมหวังหรือไม่คะ mm hmm. ลูกสามีและลู ก, ลกสร้างบนกระหมูคณะมาอย่างไรมีวิบากกรรมอะไรที่ต้องแก้ไข mm hmm. และสร้างบนอย่างไรเพื่อให้ได้สร้างบรมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อกัญ ญ, ญาและหมู่คณะไปอย่างตลาดรอบฟังจนถึงที่สุดแห่งธรรมคะ จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝายมันตมิตาเตินขึ้นมาท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมป ร, ราคัญจาคุณพ่อสามีตลอดชีวิตของท่านมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่เคยไปหาหมอเลยทั้งทั้งที่ท่านประกอบอาชีพค้าหมูและล่าสัตว์เป็นประจำาะแนดีจะชาตชาติหนึ่ง ท่านชอบทำบุญแบบสงเคราะห์โลกโดยเฉพาะชอบช่วยเหลือผู้คนที่ป่วยไข้และชื่อเรื่องการทําดีแบบชาวโลกทั่วไปแต่ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายแต่เกิดแต่ก็ยังทําบุญเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยได้ใจสงเคราะห์โลกจึงทําให้พลัดประเกิดในครอ บ, บครัวที่ต้องทําอาชีพฆ่าสัตว์ข้าหมูแต่บุญเก่าชาตินั้นกล่าวเนะี่ยตามมาทันจึงทําให้ท่านแข็งแรงจ้ะ แต่บานปลายชีวิตท่านเป็นมะเ ร, ร็งที่ตําลูกมาเพราะกรรมป้านาธิบาตในปัจจุบันเนี่ย<อ>ที่ฆ่าหมูและล่าสัตว์มันส่งผลิท่านเป็นโรคนี้จ้ะถ้าฆ่าจึงเคยชินนี่มันก็เห็นอะไรก็อยากฆ่าไปหมดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตานตายแล้วดย้ยจิตที่เศร้าหมองเพราะเห็นกรรมนิมิตทตนเองทาไว้เกิดทาไวเ้เกิดขึ้นมากมายเลย สิ่ที่บนที่ลูกทำให้ในปัจจุบันและบวชให้จริงทำให้ไม่ไปมหาลนคร oh. แต่ก็มีเจ้าหน้าที่มารับตัวไปยังยมโรคขุมหนึ่งดวิบากกรรมฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิต <Yeah. S 1> กำลังโดนเจ้าหน้าที่ฆ่าเชือดชำละเหมือนดังที่ตนเองเคยทำไว้ oh. มีความทุกข์ทรมานมากจ้าถ้าไม่อาจทำสมาธิไดตามที่รับปากลูกชายไวและไม่อาจรับทราบในงานศพเพราะ ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมนาบยมโลกทันทีเลยท่านได้รับบุญที่วิถีไปให้ทุกครั้งนะ่ทําไม่ได้รับลถยันผ่อนทดลงมาตอนนี้ท่านทราบซึ้ง <c oughs> เรื่องบาปบุญแล้วดีน้ำตานองหน้า <c oughs> ร้องโอดโอยอย่างเดียวั <c oughs> ต่อยากพ้นทุกจากยมโลกนี้ <c oughs> อยากพ้นทุกมากเลย ไม่รู้นี่ขาดสารแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยลูกนี้มีทำเจ้ากระดีแต่นั้นให้อาทิตย์บุตรแม่ท่านอีกเรื่อยๆนะจ๊ะคุณแม่สามีท่านมีอาการทางจิตทางพบจิตแพทย์เพราะวิบากกรรมเดิมสุราแน่ดีตมาส่งผลจ้ะนี่คนอเดิมค้นขายระวังพรีเซ็นเตอร์ระวังโฆษณาระวังคนผลิตระวัง เดี๋ยวถึงเวลาของตัวมึงรวยแต่ตกมหานรก<อ>กับไม่รวยพอมีพอกินพอใช้ได้กินอยู่แต่พอดีแต่ไปสวรรค์เราจะเลือกอย่างไหนพอดีพอกินพอกินไปสวรรค์ใช่ไปสวรรค์เ น, นนะียาวนานนรกก็ยาวนานสุขยาวนานานั้นทุกยาวนานรวยช่วงสั้นๆไม่กี่ปี แตไปมีชีวิตที่มีความทุกข์ทรมานในมหานดรกสนุกเพลิดเลินมึนๆเมาๆทึมๆอยู่ไม่กี่ปีในเมืองมนุษย์แต่ว่าไปทุกข์ทรมานในมหันดรกหกพั 6, ล้านลานปีทุกตลอดเวลาเลยตายเกิดตายเกิดกดับครั้งไม่ท้วนคุณแม่สามีเป็นอมารพกวัจนทร์วัจจันพราะกรรมที่ช่วยพ่อฆ่าหมูที่พ่อค่า และการพลอยยินดีกับการค่าหมูขายของพ่อมาส่งผ<อ>ลใช่แล้วแล้วครับเราต้องประสบะเหตุที่ย้ายินถามอยู่อเมริกาเพื่อเริ่มตอนชีวิตใหม่เพราะบุนดิสสามีเคยอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ได้มีส่วนในการขยายพระพธทธศาสนาวิชาธรรมการไปทั่วโลกในอดี ต, ตชาติที่ผ่านมามาส่งผลไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรหรอกจ้ะ <Hey. S 1> เป็นไปตามผังที่ตั้งใจ เมือมนบงคนตั้งใจจะประพฤติพรหมาจรรย์เพราะเบื่อน่าชีวิตการครองเรือนเบือบ่อเบื่อสามีก็เจา้าชู้ลูกก็ดือ้อเจ็บไข้ได้ป่วยเศรษฐกิจก็ตกต่ำในบ้านแต่ที่อื่นก็เศรษฐกิจดีเนี่ยเบือบ่อเบือ่อเลยตั้งความปรารถนาจะประพฤติพรหมาจรรย์ในชาติต่อมาเมื่อมาเกิดในชาตินี้ก็ต้องทําให้ได้อย่างที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยดีนะจ๊ะทำได้ไม่ยากหรอก ก็จะไปสนใจเรื่องเหล่านั้นสนใจเรื่องสร้างบุญดิสร้างบุญสร้างพารมีนั่งธรรมะแล้วก็คิดถึงแต่องค์พระภายในอาจารย์ถ้าพระสงฆ์ก็นึกถึงพระเดชพระสุลปูนเท่นั้น o ลี่นึกถึงหลวงปู่พระเดชพระสุลปูพระเดชพระสุงปูอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างนี้ไงหรือไม่ก็ดวงดวงดวงไส้ไซส์ไสแค่นี้แหละ เดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาจากโลกนี้มนุษย์แล้วผังนี้ก็แน่นเลยพบต่อไปสบายไม่ต้องใช้กำลังใจสูงเหมือนชาตินี่ใช้แบบสบายๆเหมือนเป็นปกติธรรมดาธรรมดาสบายๆนี่ไงทางนี้สิสิ่งที่ควรคิดเห็นไหก็มีแค่พระัตนาตัยเป็นที่พึ่งเท่ระลึกที่คำว่าระลึกคือคิดถึงนึกถึง ทุกพ น, นี่ที่ระลึกนี่ไงนี่มีพระพุทธพระธรรมสงฆ์อ n l y ที่คิดเรื่องอื่นกลุ่มจะมัดเลย น, ะนี่ไงคิดอย่างนี้ว่าสามีทำ ม, มีเหตุได้ออกจากงานกับเป็นยังว่าที่ทางอเมริกาอนุ ม, มัติให้มาอยู่ได้พอดีเพรา ะ, ระบุญที่เกิดจากการอธิษฐานจิตดังที่ได้กล่าว ม, มาแล้วนี่แหละจ่าอยากจะมาเผยประพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตัวโลกนลี่แหละมาส่งผล บางครั้งสามีมปคนเตือนตะนอกฟิตกังวลตกใจและกลัวยังไม่มีสาเหตุทำให้บางครั้งขาดสติและขาดความเชื่อมัน่นในตนเองเพราะในอดีใชาติเคยปกครองฆ่าท้าบริวารลูกหลานแบบเผด็จการสดิตชอบ ด, ดุด่าขู่ว่ากล่าวอย่างรุนแรงบารมกับชาติปัจจุบันตอนเป็นเด็กยังยาวไปก็ถะโขู่เหมือนกันถูกดุด่าว่ากล่าวบารมส่งผลใ่ ครูเองก็โดนขู่มารวมกัน เ, ออเลยรู้สึกวิตกกำมวนตกใจกลัวอย่างไม่มีสาเหตุตอนนี้ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องไปกำงวนไม่ต้องตกใจอย่างกลัวอะไรสั่งสมบุญอย่างเดียวอย่างไงไรจ้ะพอทําใจส ง, งบเดี๋ยวก็พบทางออกชีวิตการทํางานสามีไม่ว่าจะไปทําที่ใดก็ตามมักจะไม่ประสบสความสำเร็จท่อติคนเพราะแน่ดีเวลาทําบุญมักจะทําในลักษณะแค่ร่วมบุญด้วย แบบเผื่อเหนียวว่าถ้าบุญมีจริงส่งผลจริงเขาคงจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตกับเขาบ้างแล้วน ะ, นะก็เลยเลื่อมบุญนิดนิดแล้วจะไปเอาบุญเน็ดเน็ดเมินคงยาไม่ได้ทำด้วยศรัทธามุ่งมั่นเต็มกาลังและบุญนั้นไม่ได้ทํำที่กอบไปด้ยวยปัญญาบุญนั้นทําได้กอบไปด้ยวยปัญหานี่เผื่อเหนีย ว, วเอาเอานิดนิดเผื่อมี แล้วก็โอเคนี่ไงมีเหมือนกันเห็นไหม อ, อบุญมีแล้วกระดาแค่นี้แหละแ <c oughs> ต่นนั้นบุญส่งผลยังทำไห่นาทีการงานพอไปได้เนี่พอไปได้เนหะนะมือนถึงก็ดรวยเนี่ยนะแต่ก็ไม่ขัดสนนะการทำบุญท <c oughs> ุกบุญอย่างเต็มที่ด้ดวยความปิติยินดีมีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาหลักฐานเจติบุญนี้ช่วยบันดาในประสบความสำเร็จในชีวิตในชาตินี้จ้ะนี่ทำนี่สิจ้ะ ลูกเคยทำบุญสูงสุดครั้งละแสนแต่ก็หลายครั้งแล้วกากตั้งเจ็อธิษฐานมุ่งมั่นบ่อยที่จะทําไม่ได้หลักที่ลูกต้องการบ่อยสักวันหนึ่งลูกจะทําได้ใช่ไหมบางครั้งอยากจะทําบุญใหญ่แต่ต้องงดไปเพราะต้องไปเป็นค่าใช้จ่ายของบุปผการีก่อนก็ไม่ถือว่าเสียสละไม่ถือว่าเสียสละเพราะมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องไปอบุญส่งเคราะห์บิดามันด า, าก่อนแต่ลูกก็ควรตั้งใจที่จะทําให้ได้อย่างที่ลูกตั้งใจในภายหลังเมื่อมีความพร้อมแล้ว ลูกจะได้บุญใหญ่และประสบความสำเร็จจ้ะนี่ก็ควรทำเครพอดีมีบุญอื่นที่ถูกชิงเอาไปทำก่อนอาจจะ ก, ก็ไม่ได้เสียสละจาะเป็นท่เพียงเลื่อนเลื่อนความปรารถนาลูกคสมหวังออกไปอีกหน่อยเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสเราก็ลงมือทำเลยทำได้ลูกทำได้นึกไปเรื่อยๆเถอะลูกสาวองต่อเป็นภมแพ้แพะไข่และอาหารทะเลติงเด็ดสังขอบอาหารทะเลเยอะทีเดียวเนี่ย เพรบัญจีกรรมแนวดีประส่งผลเรื่องมีอยู่ว่าชอบไปพูดจาเนบแนมกัแนแหนกัแนแหนะผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่เขาเพิ่งจะมีลูกอาอยุแค่สองขวบอะ <Huh? S 1> โพลกระทบถึงตัวแม่เด็กเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นต้น <Huh? S 1> กระทบเกี่ยวกับเรื่องอาหาร <Huh? S 1> ว่าเออเอาหารนี่ให้เด็กกินเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้เป็นโน้นอะไรสารพัด เธอติดนิสัยยังนิ่มกระขามชาติจึงมักจะมีวิจีกรรมบุคคลรอบตัวจ้า อ, อยู่ว่างๆครับโปรยไปเลยโปรยประโยชน์<อ>ที่จริงประโยคที่ทําให้คนเขารักเรามีตั้งเยอะแต่ก็ไม่ได้เอามาใจนะจะแก้ไขาต้องตั้งชี้โทษของวิจีกรรมและชี้คุณของปิยะวัจจให้เธอได้ศึกษาเรียนรู้ไปนํางปฏิบัติแก้ไขตัวเองบ่อยๆเจ้าเรื่องนี้เกิดจากปาก<อ>แล้วก็เปลี่ยนเป็นปากสวยซะก็หมดเรื่อง ลูกต้องหนาปากสวยสิเอยอย่างนี้ไงเราไม่ได้ไปว่าใครแม่ <laughs> ลูกปากสวยดีนะอะไรย่งเง <laughs> <laughs> บุญที่ทําให้ลูกสาวตั้งแต่อยู่ในท้องโดยใช้คําว่าลูกแก้วและใส่ชื่อจริงภายหลังที่เกิดแล้วจะทรงผลเมืองเงินจ้าอยู่ที่เจตนาเป็นหลักที่มุ่งทําบุญให้ลูกสาวจ้า <laughs> ลูกสาวทั้งสองลูกก่อนมาเกิดมาจากที่สว่างและมีสายบุญกระหม่อะ ต่อไปก็จะมีส่วนช่วยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและเป็นกองสืบเบียงของหมู่คณะจ้ะสาธุคุณแม่ลูกใครดูแลผู้ป่วยชาวเยอรมันที่แขนขาลีบลูกและสามีใครดูแลเขาอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันต้องทำทุกอย่างให้ในช่วงที่ยังหาคนดูแลไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องปัจจุบันที่ลูกได้ช่วยคุณแม่ของลูกดูแลเขาเป็นบุญของลูกและสามีที่ได้ช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อมนุษย์ ซึ่งบุญส่งผลนิยามที่ลูกเจ็บป่วยไข้หรือตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนคอยดูแลจ้ะไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรร่วมกันมาเป็นบุญปัจจุบันของลูกที่จะส่งผลให้ในอนาคตจ้ะลูกสามีไม่ค่อยจะปลองดองกันเพราะทิฏฐิเท่า น, นั้นแหละคือความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่ายังดีมีศรัทธาและศีลเสมอกันศรัทธ<อ>า เชื่อมันในพรตัตนตรายมีศีลเสมอกันก็โอเคแต่ความเห็นไม่ตรงกัน ท, ทั้งท่านนี่เคยเป็นสามีภริยากรนมาในอดีตได้เป็นคู่บุญกันมั้ บ, บางเรื่องทิฐิไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันก็เลยมีความรู้สึกคล้ายๆกันจะไม่ค่อยจะปลองดองกันจะก็เลิกกันนะค็รักกัน สามีเคยบวชมาหลายชาติจึงทําให้มีจริตอัสยาศั ย, าายน้อมไปทางบวชใช่แต่บอดีชาตินี้ไปเจอลูกเสีก่อนเมื่อลูกสามสองคนจบการศึกษาแล้วสามีตั้งใจจะบวชก็จะสมหวังใช่รามีผังบวชมาแน่ดีอยู่แล้วก็ให้ประคองความตั้งใจนี้ไว้ให้ดีก็จะสมหวังลูกฟังนี้ลูกก็จะไปตกใจและลูกก็จะไปกลัวความเหงาให้ตั้งใจทําสมาธิ เมื่อลูกเขาถึงพระธรรมกายแล้วจะหายเหงามีความสุขได้ชื่อว่าบวชภายในใและมีความสุขที่แท้จริงจ้ะส่วนพ่อบ้านเทพบุตรเขาไปบวชภายนอกแล้วก็เขาถึงพระภายนอกบวชสองชั้นลูกก็บวชภายในใก็โอเคเนะี่ยลูกสามีและ ล, ลูกสามปราภิรมีกับหมูคณะมาแบบกองสเสบียงประเภทเรื่อยๆจนะ้ะ เริ่มบุญทำเผื่อเหนียวบ้างจ้นี่คู่บุญคู่บรมีก็เผื่อเหนียวด้วยกันทั้งคู่เลยอันดัลลิงเอาเผือมีจริงนะ <Hey. S 1> อันดลลิงทำด้วยกันเถอะน <Hey. S 1> ี่ไงทำ <Hey. S 1> บุญเผื่นี่ห <Hey. S 1> ก็ได้แบบเผือเหนียวอย่างนี้แหละ <Hey. S 1> นี่ขนาดเป็นคู่บุญยงทิฐิไม่ตรงบางเรื่องความเห็นไม่ตรงเันยังไม่ค่อยจะปลองดอ ง, องน <Hey. S 1> สมบูรณ์ร เป็นเรื่องนิดๆทีไหนก็ปรับทิศิี่เอามตรงนะก็แค่นั้นเองก็ ย, ยอมยอมมๆกันบ้างก็พูดด้วยเหตุด้วยผลไงไหนบะอกถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะ ค, คุยกันด้วยเหตุผลเออจะไปเที่ยวไหนก็จะไปไกลๆก่อนให้สบายๆพอสบายใจแล้วอกลับมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้ไงเดี๋ยวว่าวจะตรงกันส่วนเรื่องวิบากกรรมก็มีกันทุกคนแ่ะ แล้วก็มีกันเยอะๆทั้งนั้นแหละให้เราตั้งใจสร้างบุญมมากๆก็จะไปตัดราวิบากกรรมได้นั ก, ก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามงเต็ไปด้วยสิบปีวงบุญวิเศษเขตบ ร, รมโมพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะนี่ก็เป็นเรื่องราวขอสแคสตี้สั้นๆสําหรับคืนนี้